คงเบื่อใช่ไหมที่ฉันยังอยู่รบ ก, กวนใจเธอบามองตาทั้งทังที่เธอพลัดสฉันก็เบื่อตัวเองเหมือนกันที่มันไม่ยอเมเบนไปนานเพียงใดก็ยังยืนยันจะรอ ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นใจมันรันไม่ฟังเหตุผลดูแลเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมจะบอกไหมรันเท่าไรเท่าไรไม่ยอมเข้าใจเข้าใจแกล้งหูทวนลงมันไปได้ทูกทีแต่ยินคำดี ราะมันดีแต่รักเธอว่าไม่มีหวังทั้งรู้ก็ยังหวังว่าจะมีจะมีวันได้ยินว่ารักสักครั้ง วันไหนวันนี้ต้องฟังเธอบอกว่าไม่มีทางไม่เป็นไรไม่เอามารู้สึกท้อไม่รับรู้เอาไรทั้งนั้นใจมันวันไม่ฟังเหตุผลดูแลเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องชัยมา เข้าใจแกล้งหูทวนลมมันไปได้ทุกทีได้ยินคำเดียวรักเจอรัก